อุปมาอาบัตและอนาบัตยิ่งปิดยิ่งรั่วเปิดแล้วไม่รั่วเพราะฉะนั้นพึงเปิดสิ่งที่ปิดเมื่อเป็นดังนี้สิ่งที่เปิดนั้นก็จะไม่รั่วป่าใหญ่เป็นที่พึ่งของหมู่มรคะอากาศเป็นทางไปของหมู่ปักษีความเสื่อม เป็นคติของธรรมทั้งหลายพระนิพพานเป็นภูมิที่ไปของพระอรหรันต์คาถาสังฆนิกะจบหัวข้อประจำวาระสิกขาบทที่ทรงบัญญัติณเจ็ดพระนครวิบัติสอย่างสิกขาบทของภิกสุและภิกสุณีที่ทั่วไปที่ไม่ทั่วไป นี้เป็นถ้อยคําที่ประมวลไว้ด้วยคาถาเพื่ออนุเคราะห์พระศาสนาคาถาสังคนิกะจบ